ทีนี้พูดถึงฝ่ายชูชกเนี่ยนะก็เดินทางตามที่พระอ จ, จุตารือศีเนี่ยบอกนะก็มาขึ้นกุมารกันนะนะกันมาด้วยกุมารกันที่แปดชูชกนี่พอเดินไปถึงฝั่งสระบกกรณีสี่เหลี่ยมตามที่พระอั จ, จุตาดาบทบอกก็คิดว่าไอ้วันนี้เย็นเสียแล้วเนี่ยนะไปถึงก็เกือบคําคั่มแนะบัดนี้พระนางมัตซีเนี่ยจับกลับจากไปเนี่ยนะ คือพนางพนางมัต ส, สีเนี่ยปกติเขาเป็นผนกหาสเสบียงเนียนะเพราะฉะนั้นพอเช้ามาเขาจะฝากลูกไว้กับพระเวสสันดร น, น, นะแล้วก็ถือพวกเสียมพวกตะกร้านะมีเสียมตะกรา้าแล้วก็ไอ้ที่สอยผลไม้เนี่ยเข้าป่าไปเก็บผลไม้รากไมก้มาเย็นๆก็มาร่วมการกินเนี่ยนะพ่อแม่ลูกอะฤศีเขาไม่ได้อดข้าวเย็นอะไร น, นะเขาไม่รู้จักสินแปดมั้งเนาะ ก็เลยไม่มีมวิการะโพชนาะแต่เขาจะกินร่วมกันมื้อค่ำนั่นะองนางก็จะปล่อยให้พระเวสสันดรเนี่ยอยู่กับลูกทั้งสองก็เล่นไปอะไรไปเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอ้าวตอนนี้เนี่ยนางเนี่ยกลับมาจากป่าแล้วชู่ชกนี่แกฉลาดนะถ้าแกไปขอใครแกก็ต้องสืบอัธยาศัยก่อนนะแกบอกว่าขึ้นชื่อผู้หญิงนี่ย่อมกระทำอันตรายแกทาน ไปขอทานถ้าแม่อยู่ด้วยไปขอลูกเขาจะให้ได้ยังไงอ่ะนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงนี่เป็นอันตรายเหมือนนนั้นพรุ่งนี้เวลาพระนางเข้าไปป่าเราจึงจะไปสู่อาส ม, มบทเข้าเฝ้าพระเวสสันดรราชสื อ, อสีขอทูลขอกุมารกุมารีทั้งสองเมื่อพระนางยังไม่เสด็จกลับก็จะพากุมารกุมารีทั้งสองนั้นหลีกไปแล้วก็ขึ้นสู่เนินภูผาณนะ แห่งหนึ่งอะนะที่ไม่ไกลสะนั้นก็นอนอยู่นั้นอย่างมีความสุขสําราญบอกนอนยังไงอะก็เคยเห็นวาดรูปไหมก็วาดเปลนะแกก็ไม้มาปลูกปลูกเปลนะรกิ่งโน้นกิ่งนี้ก็นอนสบายแล้วนะผ้าดีไม่ตกก็ดีไปคล้ายๆกับทหารชอบชอบปลูกปลูกเปลอนอนตามกิ่งไม้กันเมื่อราตรีนั้นใกล้รุ่งเนี่ยนะพระนางมัสซีก็ได้พระสุบินเนี่ยนะ คือปกติแล้วก็บอกว่าฝันแม่นๆจะมีในช่วงตอนจะใกล้รุ่งเนี่ยนะตอนที่อาหารมันย่อยเสร็จอะไรเสร็จช่วงนั้นอ่ะบุพนิมิตก็จะเกิดขึ้นพนางมัตสีก็เลยฝันในความฝันนั้นว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยผิวดํานุ่งห่มผ้ากาสายะสองผืนก็แสดงว่าเป็นนักบวชเหมือนกันเป็นนักบวชแต่ว่าผิวดําเหมือนกันทัดดอกไม้สีแดงทั้งสองหูถืออาวุธตะคอกขูข่เข้ามาสู่บารรณศาลาแล้วก็จับผ้าชดาของพนางเนี่ยคร่ามา จับฉดาก็คือจับหัวนั่นแหละดึงมาให้พานางเนี่ยล้มงายนักพื้นดินก็ควักดวงดวงตาทั้งสองแล้วก็ตัดแขนทั้งสองของพระนางผู้ร้องให้อยู่ทํำลายอกเนี่ยนะคือผ่าอกเนี่ยผ่าอกก็เอาหัวใจเนี่ยออกไปซึ่งมียาพะโลหิตเนี่ยไหลออกอยู่แล้วก็หลีกไปนี่นะฝันร้ายมากเลยนะฝันว่าโอ้โหถูกควักตาด้วยตัดแขนด้วยผ่าอกด้วยพระนางมาัตรีก็ตื่นบันทม ตกพระไทยเนี่ยนะตกใจซะดุ่งก็รำพึงว่าฝันรา้ายนี่นะใครฝันแบบนี้ก็แหมก็ยอมรับว่าฝันร้ายอยู่เหมือนกันน ะ, ะบุคคลผู้จะทํานายฝันเช่นกับพระเวสสันดรไม่มีเราจะไปทูลถามพระองค์บันั่งคิดอย่างนี้แล้วก็ไปข้อถวานบรรณาสลาของพระโพธิสัตว์นี้พระโพธิสัตว์ฟังเสียงข้อประตูแล้วก็ตรัสถามว่านั่นใครพรนางมัสยิก็ทูลว่าหม่อมฉันมสัสยีพระเจ้าค้า พระเวสสันดรตรัสว่าเน่นางผู้เจริญเธอทําลายกติกาวัดเราทั้งสองเสียแล้วเพราะเหตุไรเธอจึงมาในเวลาที่ไม่สมควรนะบอกว่าผู้หญิงนี่เป็นมนทินก่อพรหมจันทร์ไม่ใช่หรือเราคุยกันแล้วนะว่ากันพนางมัตสีก็กราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพหม่อมฉันไม่ได้เข้ามาเฝ้าด้วยอํานาจกิเลสแต่หม่อมฉันฝันร้ายอ่ะนะพระเวสสันดรก็บอกว่าอาถ้าอย่างนั้นเธอจงเล่าไปนะมไม่เปิดประตูคุยกันละมีข้างนอกก็เล่าข้างนอกกันแล้ นางมัตสีก็เล่าถวายโดยทํานองที่ฝันทีเดียวว่าพระโพธิสัตว์ก็กําหนดฝันนั้นได้ก็เลยคิดเนี่ยนะคือคือฝันแบบนี้รู้แนละ้วอะไรจะเกิดก็เลยคิดว่าทานบา ร, รมีของเรานี่จักเต็มรอบพรุ่งนี้ยาจกจะมาขอบุตรีเนี่ยนะคือมาขอบุตรมาขอบุตรีเรานี่จะยังนางมัสสีให้อุ่นใจแล้วก็กลับไปรู้แล้วว่าจะไดนะ้งานนี้ให้ลูกเป็นทานได้แน่นอนอย่างนั้น พอคิดอย่างนี้แล้วก็ตรัสว่าแน่นางมัสีจิตของเธอเนี่ยขุนขุนมัวเพราะบันทมไม่ดีสวยอาหารไม่ดี mm. คือก็เล่าบอกว่าที่ฝันเนี่ยนะเพราะาธาตุกำเริบเนี่ยนะจิตฟุ้งซ่านกินมากอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะอะไรบอกว่าเธออยากรัวเลยแล้วก็ตรัสลมเล้าพระไทยให้อุ่นพระไทยแล้วก็ตรัสทรงให้เสด็จกลับไปนะไปนั่นมีอะไรลอกเหมืองกัน ก็พูดให้สบายใจนะแต่พระเวสสันดร น, นี่รู้แล้วว่างานนี้จะได้ให้ลูกเป็นทานละทีนี้เมื่อราตรีสว่างพระนางมัตสีก็ทํากิจที่ควรทําทั้งปวงแล้วก็สวมกอดพระโอรสพระธิดาจุมพิษณนะพระผสเสียนแล้วก็ประทานโอวาทว่าเน่แม่และพ่อก็คือพูดกับลูกกันนะว่าวันนี้แม่เนี่ยฝันร้ายลูกทั้งสองอย่าประมาทแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระโพธิสัตว์ทูลว่า ขอให้พระโพธิสัตว์นี่รับพระโอรสพระธิดาด้วยคำว่าขอพระองค์อย่าประมาทในทารกทั้งสองยังไงยังไงก็ดูแลลูกให้ดีๆนะว่ากันแล้วก็ถือกระเช้าเล่เสียมเป็นต้นเช็ดน้ำพระเนตรก็คือมีหน้านองไปด้วยน้ำตานะเดินเข้าไปป่าเพื่อหาผลไม้คิดถึงลูกก็คิดถึงแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาว่าจะต้องไปหาผลไม้ในป่านะมันมาคืนฝันไดก็ต้องเกี่ยวกับลูกแน่ห่วงลูกมาก ทนฝ่ายชูโชคก็คิดว่าบัดนี้พระนางมัตสีเนี่ยจากเสด็จไปป่าแล้วก็ลงจากเนินผามุ่งหน้าไปยังอาสมเดินไปตามทางที่เดินได้เฉพาะคนเดียวครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็ออกหน้าพระบนนาารรณศาลาประทับนั่งเหมือนกับสวนนณปฏิมาแปลว่าสุวรรณแปลว่าทองคําปฏิมาแปลว่ารูปเนี่ยนะรูปเปรียบด้วยทองคำนะนะตั้งอยู่ณแผ่นศิลาเนี่ยนะก็เหมือนกับพระพุทธรูปทองคำอย่างนั้นเถอะ ก็เลยคิดว่าบัตรนี้ยาจกจากมาก็ประทับทอดพระเนตรทางมาแห่งยาจกนั้นเหมือนนักเลงสุราอยากจะดื่มฉะนั้นมาหิวแลกันนะถ้าเป็นนักดื่มก็มาเมื่อไหร่จะได้ดื่มสักทีนะนี่ก็เมื่อไหร่จะได้ให้ทานสักทีนึงเหมือนนพระราชโอรสและพระรา ช, ชธิดาก็ทรงเล่นอยู่ใกล้ๆบาทมูลแห่งพระราชบิดาเด็กๆ ก, ก็มาเล่นใกล้ๆพ่อนั่นแหละให้บวชทั้งลูกทั้งอดนะ ก็คือบวชทั้งพ่อทั้งลูกเงี้ยนะจะไปเจริญกรรมฐ า, านอะไรได้กันนักกันนาเนาะเดี๋ยวเด็กมันก็กลัวน่ะนะเด็กมันก็เด็กมันยังค่ำนั่นแหละมันก็ยังเล่นไปอะไรไปพระโพธิสัตว์ก็ทอดพระเนตรทางมาพอทอดพระเนตรเห็นก็เห็นชูชกเนี่ยพรามเดินมานะก็เดินถ้าคนจะมาก็มาได้ทางเดียวนะก็ยืนดูไอ้ใครจะมารอเข้ามาทักทิงเพราะฉะนั้นทรงเป็นเหมือนยกทานทุระทึ่งทอดทิ้งมาเจ็ดเดือนเนี่ยนะ คือพอเห็นชูชกเดินมาเท่านั้นก็นึกถึงโอ้โหปกติก็ให้ทานติดกันมานี่มันขาดมาตั้งเจ็ดเดือนนะไม่ได้ให้ทาน ม, มาตั้งเจ็ดเดือนนะนะก็ตรัสว่าแนะ่พราหมณ์ผู้เจริญแกจงมาเถิดก็เลยโส ม, มนะันัดดีใจมากเออมามามามาเนี่ย น, นะก็เลยตรัสเรียบพระชาลีราชกุมารดังนี้ว่าแน่พ่อชาลีว่า ง, งั้นเถิดลูกจงลุกขึ้นการมาของพวกยาจกในวันนี้ ปรากฏเหมือนการมาของพวกยาจกเหมือนครั้งก่อนๆเนีย่ยนะยาจกมาครั้งก่อนเป็นยังไงครั้งนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพ่อเห็นเหมือนดังพรามความชื่นชมทําให้พ่อเกระเซมซานพอมองเห็นคนมาขอแม่มันมีความสุขอย่างมากเลยน ะ, ะจำเดิมแต่การที่เราเห็นพรามนั้นเรา ความสมนัตได้แผ่คลุมเราเป็นเหมือนเวลารดด้วยน้ำเย็นตั้งพันหม้อบนศีรษะของผู้ที่ถูกแดดแผดเผาในฤดูร้อนเนี่ยนะมาเห็นพรามมาเหมือนกันยังจะได้ลงอาบน้ำกันน่ะพระชาลีกุมารพอได้ฟังพระเวสสันดรพูดอย่างนั้นก็บอกว่าข้าแต่เสด็จพ่อแม้เล่ากระหม่อมก็เห็นผู้นั้นปรากฏเหมือนพรามที่เขาจะต้องการอะไรามาอยู่เขาเป็นแขกของเราทั้งหลายเนี่ยนะ โลกนี่ก็รู้ดีเหมือนกันนะเขาเขาก็มาเหมือนพรามทั่วๆไปเนาะเหมือนกันแสดงว่ามีอัธยาศัยมันเหมือนกันพอกราบทูลอย่างนี้แล้วก็ทำความเคารพแก่พระโพธิสัตว์นะยกมือไหว้พ่อแล้วก็ไปต้อนรับพรามชูชกตรัสถามถึงการจะให้ช่วยรับเครื่องบริการคือเรียกว่าเป็นเหมือนกับธรรมเนียมของสัมมณะเขาจะรีบไปรับบารับจีวอนไปรับข้าวรับของนะช่วยกันถือนะ ทีนี้ชูชกพอเห็นพระชาลีกุมารก็คิดว่าเด็กนี้จะเป็นชาลีราชกุมารโอรสของพระเวสสันดรเราจะกล่าวพุทสวาจาิ์คือจะดาแกตั้งกับตั้งกับทีต้นทีเดียวคิดอย่างนี้แล้วก็ชี้ไม้ชี้มือให้รู้ว่าถอยไปถอยไปไ น, นะก็ว่าด่าตั้งแต่แรกเลยเพราะมันจะเป็นาธาตุของเราอะนะรีบด่ามันตั้งกับต้นๆเลยพระชาลีกุมารก็หลีกไปก็เลยคิดว่าตับพรามนี่มันหยาบเหลือกเกินนะเห็นมีใครหยาบเท่านี้เลยนะไม่ทันไรไม่ทันรู้จักกันนะด่า ก, กันซแะแรกเหมือนกัน นั่นเป็นอย่างไรนอะทอดพระเนตรก็เห็นสรีระของชูชกก็ประกอบไปด้วยบุรุษโทษ18ประการเนี่ยนะโอ้โหดูแล้วมันน่าตำหนิทั้ง18อย่างในเนื้อในตัวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฝ่ายพราหมณ์ชูชกก็เข้าไปเฝ้าพระโพธิสัตว์นะบุรุษโทษ18ประการก็จะ้กล่าวต่อไปเนี่ยนะนี้พร ะ, ะชูชกไปถึงก็ไปทักทายปราศัยกับ พระโพธิสัตว์ว่าพระองค์ไม่มีพระโรคาพาดกระมังพระองค์มีความพราสุขกระมังพระองค์ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการเสาะแสวงหาพลาหารสะดวกกระังมูลพลาหารมีมากกระมังเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานที่จะมีน้อยกระมังความเบียดเบียนให้ลำบากในวณัติประเทศที่เกลื่อนกล่นไปด้วยเนื้อร้ายไม่ค่อยมีกระมังะนะก็ถามสารทุกสุขดิบทั่วไป ฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ทำปฏิสันฐานว่าดูก่อนพรามเราทั้งหลายไม่ค่อยมีอาพาธสุขสำราญดียังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการเสาะแสวงหาผลไม้สะดวกดีมูลพลาหารก็มีมากอันหนึ่งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานก็มีบ้างแต่ก็เล็กน้อยความเบียดเบียนให้ลำบากในวณประเทศที่เกลื่อนกลนไปด้วยเนื้อร้ายไม่ค่อยมีแกเร า, าเมื่อพวกเรามาอยู่ป่าชีวิตก็เตรียมตรมตลอดเจเดือนเนี่ยนะคือ เดเดือนนี่ไม่มีความสุขนะไอ้ที่ไม่มีความสุขนัข ก, นก็เพราะว่าไม่ได้ให้ทานนนะเรานี้เพิ่งเห็นพรามผู้มีเพศอันประเสริฐถือไม้เท้ามีสีเหมือนดังผลมะตูมภาชนะสำหรับบูชาเพลิงและหม้อน้าแม้นี้เป็นการเห็นครั้งแร ก, กนะตลอดเจเดือนเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกดูก่อนพรามท่านมาดีแล้ว ท่านมาใกล้ก็เหมือนมาใกล้เชิญเข้ามาข้างในขอให้ท่านเจริญเถิดเนี่ยน ะ, ะให้พรแบบเสร็จเลยนะมีความสุขความเจริญนะชำระล้างเท้าของท่านเสียเนี่ยนะเชิญให้เข้ามาข้างในล้างเท้าก่อนนะว่า ง, งั้นดูก่อนพราำผลมะพรับผลมะหาดผลมะส่างและผลหมากเมาเป็นผลไม้มีรสหวานเล็กๆน้อยๆเชิญท่านเลือกบริโภคแต่ที่ดีๆเถิ ด, เ, ดเนี่ยนะ ดูก่อนพราหมณน้ำดื่มนี้เย็นก็ น, นํามาแต่ซอกเขาเชิญดื่มน้ําเถิดท่าปรารถนาจะดื่มครั้นพูดอย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเอ๊ะพราหมณ์นี้ไม่มาสู่ป่านี่โดยไม่มีเหตุการณ์นะนะคือธรรมดาเนี่ยโอหใครจะเดินทางกันไหมถ้าตั้งกับเมืองเมืองมาตุลานครเจตรัฐเข้ามาก็ตั้ง30มสิบโยต์นะ30โยต์ถ้าหากว่ามาจากเมืองเชตุดรก็อีก30โยต์ก็60โยต์ก็เกือบพันกิโลเนี่ยนะ นี่ถ้ามาขนาดนี้ไม่ได้มาใกลๆเลยนะแสดงว่าต้องมีธุระเพราะถามถึงธุระที่มาไม่ให้เนิ่นช้าก็เลยถามว่าท่านเนี่ยมาถึงป่าใหญ่ด้วยเหตุการณ์เป็นไงนะก็เหตุ ก, การณ์เนี่ยเดียวกันนั่นแหละเรียกว่ามาด้วยเหตุอะไรเราถามท่านแล้วขอให้ท่านบอกความนั้นแก่เราเทฤษยินีธรรมดาคนขอเนี่ยนะเขาจะรู้จักฉลาดขออย่างชูโชคเนี่ยเป็นนักขอมืออาชีพเนี่ยนะ ที่ขอมืออาชีพ n ี่แกขอสตังในโบราณเนี่ยขอได้เป็นพันๆนี่ไม่ได้ใช่น้อยๆนะจานวนนะถ้าใครขอสตังแถวๆอินเดียได้เป็นพันๆนี่ก็แสดงว่านักขอมืออาชีพจริงๆเพราะฉะนั้นแกขอได้เป็นพันนะนะที่แกได้มีคือนางมิตรตาปนาเนี่ก็เพราะขอทานขอไปขอมาก็ไปฝากเพื่อนไว้เพื่อนก็ใช้หมดก็เลยไม่มีอะไรจะใช้ก็เลยยกนางอมิตรตาปนาให้ใช่ไหมแสดงว่านักขอระดับปรมาจารย์อะไรแบบั้นเพราะฉะนั้นก่อนจะขอพระเวสสันดรเขาก็มีเทคนิคการขอว่า ห่วงน้ําเต็มเปี่ยมตลอดเวลาย่อมไม่เหือดแห้งฉั้นใดเนี่ยนะก็ะพูดถึงแม่น้ําใหญ่ๆนะแม่น้ำคงคา ย, ย ม, มูนาเป็นต้นเนี่ยถ้าแม่น้ําใหญ่เนี่ยมันมีแต่เต็มไม่มีเวลาเหือดแห้งพระองค์ก็มีพระหาดูไทยเนี่ยเต็มไปด้วยศรัทธาฉั้นนั้นโอ้ศรัทธาของพระองค์เหมือนห่วงน้ําข้าพระองค์มาเพื่อจะทูลขอพระโอรสพระธิดากับพระองค์จะมาเนี่ยมาขอลูกสาวลูกชาย ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระโอรสที่ดาแก่ข้าพระองค์ผู้ทูลขอด้วยเถิดเนี่ยนะเห็นไหมอธิบายยกมาเลยนะว่าห่วงน้ําไม่เหือดแห้งด้วยน้ําพระองค์ก็ไม่เหือดแห้งด้วยศรัท ธ, ธาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มาขอลูกเพราะฉะนั้นข้าพระองค์เข้าใจว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีรูปทีเดียวเพราะเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัท ธ, ธาจึงมาทูลขอกับพระองค์ พระองค์นี้อันข้าพระองค์ทูลขอและโปรดพระราชทานพระโอรสทีดาทั้งสองของพระองค์เพื่อประโยชน์เป็นทาสของข้าพระองค์พระเวสสันดรพระโพธิสัตว์พอได้ฟังคําของชูชกอย่างนั้นก็โสมนัสดีใจขึ้นมาอย่างเต็มเต็มเลยนะดีใจมากทรงยังเชิงบรรพตให้เบลือลั่นดุดบุคคลวางถุงทรัพย์เต็มด้วยกหาปณะหนึ่งพันเอาไว้ในมือของบุคคลผู้ที่เหยียดออกรับเช่นั้น คือปกติทั่วไปนะถ้าใครให้สตังเราเนี่ยนะคือคือให้โดยชอบธรรมนะเยียดมือไปรับเนี่ยดีใจฉันใดผู้ที่มีใจในการให้ทานเวลาให้ทานดีใจฉันนั้นก็บอกว่าดูก่อนพรามเรายกให้ไม่หวั่นไหวท่านจงเป็นใหญ่นำไปเถิดเนี่ยนะให้แต่ต้อก่อนจะให้ก็คิดถึงแม่เขาหน่อยนะ พนางมัตสีเนี่ยราชบุตรีเนี่ยเสด็จเข้าไปป่าสแสวงหาพลาผลแต่เช้าจะกลับมาก็เวลาเย็นดูก่อนพระท่านจงค้างอยู่เสียคืนหนึ่งก่อนรุ่งเช้าค่อยจึงไปพระกุมารกุมารีซึ่งพระมารดาของเธอให้สงให้แล้วให้สูดดมที่เสียนแล้วประดับดอกไม้ไปในมัคคาที่ปกคลุมด้วยนานาปุพชาติประดับด้วยนานาคันตชาติเกลื่อนไปด้วยมูลพลาหาร ก็คือบอกว่าขอให้แม่กับลูกเขาปลปะแล้วก็ให้แม่เขาแต่งน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวให้ลูกเอาดอกไม้มาประดับลูกให้สะกอนและเช้าค่อยเอาลูกไปเหมือนกันนะทีนี้ชูชกก็บอกข้าแต่พระองค์ผููจอมทัพเนี่ยนะยกย่องแล้วโอ้พระองค์นี่เป็นใหญ่ในกองทัพเหมือนกันข้าพระองค์นี้ไม่ชอบใจอยู่รอนแรมข้าพระองค์นี่ชอบใจจะกลับเหมงอนกันโอ้ไม่อยู่แล้วจะกลับอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าพระเวสันดอนบอกว่าจะให้แลใช่ไหม เพียงแต่ว่าขอยื้อเวลาอีกนะว่าขอเป็นพรุ่งนี้ค่อยไปนะไม่ได้ไม่ได้จะกลับเลยอ่ะบอกแม้อันตรายจะพึงมีแก่ข้าพระ อ, องค์ว่างั้นข้าพระ อ, องค์ก็จะต้องไปทีเดียวบอกอะไรมันจะเกิดขึ้นสรุปว่าวันนี้จะต้องไปให้ได้เพราะว่าสตรีทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้ไม่สมควรแก่การขอเป็นผู้ทําอันตรายแปลว่าเป็นผู้รู้มนตรงนี้แปลว่าเป็นผู้มีมายาวางนั้นถือเอาสิ่งทั้งปวงโดยเบื้องซ้าย นี่ถ้าหากว่าแม่เข้ามานะถ้าเกิดเขาเปลี่ยนใจเขาไม่ให้แล้วข้าพระองค์ก็อดเลยงานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรอให้แม่เข้ามาก่อนเดี๋ยวเขาไม่ให้จะว่ายังไงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์บำเพ็ญทานด้วยศรัทธาพระองค์นี้อย่าได้ทรงเห็นแก่พระมารดาของพระปิโยรสทั้งสองเลยเพราะมารดาจะทําอันตรายข้าพระองค์จะต้องไปทีเดียวว่างั้นอยู่ไม่ได้หรอกถ้าแม่เข้ามาเขาไม่ให้แน่นะแม่เข้ามาเขาไม่ให้เราก็อด่นะนี่ถ้าหากว่าเขาไม่ให้นะ แล้วจะเอาธาตไปที่ไหนโอ้ยน ament, างอมิตรตาปนาไปมีใหม่แมน่งี้นนี้เพราะฉะนั้นต้องถ้าได้แล้วก็ต้องรีบไปเหมือนกันขอพระองค์ตรัสเรียกพระโอรสและพระธิดาทั้งสองมาพระโอรสพระธิดาทั้งสองอย่าต้องพบแม่เขาเลยเมื่อพระองค์บริจาคทานด้วยพระศรัทธาบุญทั้งหลายย่อมเจริญทั่วด้วยประการชนี้ระเทศอันนี้สองเลยนะพระองค์ให้ทานอย่างนี้นะบุญของพระองค์ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน่ยนะพระองค์ก็จะเจริญด้วยบุญเหมือนกัน ข้าแต่พระราชฤาษีขอพระ อ, องค์ตรัสเรียกพระราชบุตรราชบุตรตรีมาเพราะพระราชบุตรพระราชบุตรตรีทั้งสองอย่าต้องพบพระมารดาเลยพระองค์พระราชทานทรัพย์แก่ยาจกเช่นข้าพระองค์แล้วจะต้องเสด็จไปสู่สวรรค์เนี่ยนะอันนี้เทศอันนี้สงเบ็ดเสร็จเลยว่าโอ้งานนี้พระองค์ให้อย่างนี้ไปสวรรค์แน่เนก น, น, นะกล่าวอนนี้สงเบ็ดเสร็จหมด ที่อธิบายว่าบทว่าศัท ธ, ธายาทานังทัทธโตความว่าเมื่อพระองค์เชื่อกรรมและผลของกรรมบริจาคทาน น, นะคำว่าทานที่ให้ด้วยศรัท ธ, ธาก็คือทานที่เชื่อกรรมและผลของกรรมและให้ทานนั่นเองพระเวสันดอนก็ตรัสว่าถ้าท่านไม่ปรารถนาจะพบพระมเหสีผู้มีวัดอันงามของข้าไซท่านจงถวายชาลีกุมารและ การหาชีนากุมารทั้งสองนี้แด่พระเจ้าสรรชัยผู้เป็นพระอヤกาคือเอานะให้เอาเด็กทั้งสองนี้ไปให้ปู่เขานะเหมือนกันอヤกาเนี้แปลว่าปู่เอาไปให้ปู่เขาน ะ, ะปู่เขาทอดพระเนตรเห็นพระกุมารกุ ม, มารีทั้งสองนี้ผู้มีเสียงไพเราะเจรจานหน้ารักก็จะทรงปีติมีพระไทยพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากให้แก่ท่านเอาเด็กไปให้ปู่นะปู่ก็จะให้สตังแก่ท่านทั้งหลายเหมือนน ชูชกก็บอกว่าข้าแต่พานพระราชบุตรข้าพระองค์นี้กลัวต่อข้อหาชิงกุมารกุมารีแล้วก็จะจับข้าพระองค์ไว้เอาเอาไปเนี่ยแล้วตำรวจหลวงก็จับเอาไปสิเงี้ยขอพระองค์โปรดฟังข้าพระองค์พระเจ้าสรรชัยมหาราชพึงพระราชทานตัวข้าพระองค์ให้แก่อัมมาตทั้งหลายเพื่อลงราชทั์หรือพึงให้ข้าพระองค์เนี่ยขายพระอุรสพรธิดาหรือพึงประหารชีวิตคือคือตัดงานเนี่ยหัวขาดแน่เหมั้นถ้าเอาให้พระเจ้าสรรชัยข้าพระองค์ขาดจากทรัพย์ และาธาตุทาสีนางอมิตตาตาปนาพรามณีก็จะติเตีย น, นนะเรื่องทั้งหมดทำมาได้ทาดงานนี้เมียด่าเย่างแบบนั้นก็ห่วงแต่เรื่องนี้มากเรื่องอื่นไม่คได้ห่วงอะไรเท่าไหร่หรอกซับสุสตังอะไรไม่มีไม่เท่าไหร่หรอกกลัวแต่แม่บ้านเขาจะหนีจากแค่นั้นเองใช่ไหมเขาคู่เขาคู่ไอ ทูโชคอยู่แล้วใช่ไหมบอกว่านี่นะถ้าหากว่าฉันไปหาชายใหม่นะตัวท่านแก่อยู่แล้วมันก็จะแก่ยิ่งขึ้นไปใช่ไหมผมนี่งอกแล้วก็จะงอกยิ่งตัวก็หงิกอยู่แล้วก็จะงอหนักเข้าไปเอกมานนั้นถ้าหากว่าเห็นฉันอยู่กับชายอื่นมันเพราะนั้นก็ขู่เไว้หน้าดูทูโชคนี่กลัวเรื่องนี้มากเห็นนะเรื่องอื่นไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้ห่วงอะไรเท่าไรหร่ครับมันก็ต้องหาท่าไปปรนนิบัติแม่บ้านให้ได้ทีนี้พระเวสสันดรก็ตรัสว่าพระมหาราชเจ้าผู้ทรง สีพีรัตเนี่ยนะให้เจริญสถิตยอยู่ในธรรมทอดพระเนธเห็นพระกุมา ร, รกุมารีรารผู้มีเสียงไพเราะเจรจาน่ารักสงได้ปีติสมนานะจักพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากแก่ท่านคือท่านไม่ต้องห่วงหรอกเนี่ยนะปู่ของเขาเขาเห็นหลานเขาเขาจะให้เงินแก่ท่านเองแหละท่านอย่าไปห่วงเลยเหมือนกันชูชกก็บอกว่าข้าพระ อ, องค์จะทําตามรับสั่งไม่ได้คือคือพระเวสสันดรเนี่ยต่อรองจะให้พาเด็กนี่ไปหาพระเจ้าสรรชยัยเนี่ยนะ ส่วนชูช ก, ก็บอกไม่ได้ไม่ได้ข้าพระ อ, องค์จักนําทารกทั้งสองให้ไปบํำเบลนางอมิตตาปนาพรามณีเนี่ยนะไม่ได้จะไปเอาสตังสเติงอะไรไม่เอาจะเอาแต่เด็กไปเนี่ยไปอุปถักนางพรามณีเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นข้าพระ อ, องค์ไม่ต้องการทรัพย์อย่างอื่นข้าพระ อ, องค์จักนําทารกเหล่านี้ไปบํำเบลนางพรามณีของข้าพระ อ, องค์ทีนี้พูดถึงเด็กบ้างนะเด็กนี้พอฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันเป็นไง ชาลีกุมาและกันหาชินาราชกุมารีพอฟังพุทสวาจาเนี่ยฟังคำหยาบนะนะของชูชกก็เลยกลัวขึ้นมานะก็เลยพากันเนี่ยไปหลังบนนาารรณาศาลาแล้วก็หนีไปจากที่นั้นแล้วก็ซ่อนอยู่ที่ชัดพุ่มไม้อะนะหนีเข้าไปในพุ่มไม้ก่อนแล้วตัวสั่นกันเนี่ยนะ อง์สรรเนี่ยทอดพระเนตรเห็นพระองค์เนี่ยเหมือนถูกชูชกมาจับแม้ในที่นั้นน่ะนะนั่งอยู่ๆแล้วสะดุ้งมาอ้เหมือนใครมาจับนะนั่งอยู่ก็สะดุ้งเหมือนมีใครมาจับก็ไม่สามารถจะดํารงอยู่ในที่ใดๆก็วิ่งทางนี้บ้างวิ่งไปทางโน้นบ้างก็เลยเสด็จไปถึงสะบกกรณีทรงนุ่งผ้าเปลือกไม้นั่นแหละตกใจก็ลงสู่น้ําเอาใบบัวเนี่ยวางไว้บนเสียนเอาน้ําเนี่ยบังพระองค์ประทับยืนอยู่ ทนี้ไอการที่จะลงน้ําแบบนั้นเขาบอกเขาฉลาดมากเขาฉลาดลงเขาไม่ได้ลงเหมือนคนอื่นลงเนี่ยก็ต้องเดินหันหน้าลงไปใช่ไหยแต่ทีนี้เด็กทั้งสองก็ฉลาดเขาก็เดินถอยหลังลงน้ําไปให้เหมือนคนเดินขึ้นอะนะเนี่ยแต่ว่าพ่อเขาฉลาดกว่านะตอนพ่อเขาไปหาเขาดูไอ้นี่เดินอย่างเงี้ยมันข้างส้นนี่มันกดมากเกินไปเนี่ยนะแล้วเอ๊อไม่เห็นมีขาลงเลยมีแต่ขาขึ้นจะเป็นไปได้ยังไงแสดงว่าเดินถอยหลังเข้าลงน้างนําอมือนะ ทนี้ภาษาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าแต่นั้นพระราชกุมารกุมารีได้ฟังคําที่ชูชกผู้ร้ายกาดกล่าวก็สะทกสถานทั้งพระชาลีพระกันหาชินาทั้งสองก็พากันวิ่งไปแต่นั้ น, น, นทีนี้นฝ่ายชูชกไม่เห็นสองกุมารก็รุกรานพระโพธิสัตว์เนี่ย น, นะชูชกนี้ก็ตามประเพณีเขาก็ต้องหยาบอยู่แล้วใช่ไหมว่า ข้าแต่พระเวสสันดรผู้เจริญพระองค์นี้พระราชทานพระกุมารกุมารีแก่ข้าพระองค์บัดนี้พระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จักไม่ไปเมืองเชตุดรราชธานีจักนํากุมารกุมารีให้ไปบําเรนนางอมิตตาปนาพราหมณีของข้าพระองค์พระองค์ก็ให้สัญญาโบกไม้โบกมือให้โอรสพธิดาหนีไปเสียแล้วก็นั่งทําเป็นไม่รู้คนพูดมุสาเช่นพระองค์เห็นจะไม่มีในโลกเลนะก็ ก็ด่าหาเรื่องด่าเลยนะว่าเออมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกระพริบก็เรียกว่าขยิบตาอะไรตาให้ลูกนี่มันหนีไปแล้วว่าง น, นั้นน่ยเนี่ก็มานั่งทําตัวเฉยเนี่ยนะนี่มูสานเนี่ยทีนี้ฝ่ายพระโพธิสัตว์พอฟังอย่างนั้นก็เลยตกใจขึ้นมาคิดว่าเด็กทั้งสองนี่จะหนีไปก็เลยรับสั่งว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านอย่าคิดเลยเราจะนำตัวทั้งสองคนมาให้ ตราอย่างนี้แล้วก็ลูกขึ้นไปหลังบรรณศาลาก็ทราบว่าพระโุรสพระธิดาเนี่ยเข้าไปสู่ป่าชัดจึงเสด็จไปสู่ฝั่งสะบกครณีตามรอยพระบาทสองกุมารกุมารีนั้นทอดพระเนตรเห็นรอยพระบาทลงสู่น้ําก็ทราบว่าพระอุรสพระธิดาเนี่ยจักลงยืนอยู่ในน้ําก็เรียกว่าอน น, นก็เรียกลูกชายมาเป็นคําแรกก่อนว่าพ่อชาลีประมาณอ่า พ่อชาลีลูกรักว่า ง, งั้นน่ยลูกจงมาจงเพิ่มพูนบารมีของพ่อให้เต็มเนี่ยนะคือท่านรู้อยู่แล้วนะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ชาตินี้ท่านจะมาบําเพ็ญบารมีเนี่ยนะคือจะให้ต้องให้ลูกเป็นทานท่านรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็บอกว่าพ่อจงมาจงเพิ่มพูนบารมีของพ่อให้เต็มจงช่วยสดสงหัวใจของพ่อให้เย็นช่ําจงทําตามคําของพ่อ เจ้าทั้งสองจงเป็นเหมือนดังนาวาของพ่อเนี่ยนะเจ้าทั้งสองเป็นเหมือนเรือนะที่จะช่วยให้ให้พ่อข้ามฝั่งว่างั้นเถอะเป็นเหมือนยานนาวาของพ่อพ่อจะไม่หวั่นไหวต่อสาครคือพบพ่อจะข้ามฝั่งคือชาติจะยังมนุษย์และเทวดาให้ข้ามด้วยเนี่ยนะยังไงยังไงก็ช่วยเป็นสเสบียงะนะช่วยเป็นเรือช่วยเป็นบุญช่วยเป็นอะไรให้พ่อด้วยนะถ้าหากว่า พ่อไม่ให้ลูกเป็นทานพ่อจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะช่วยมนุษย์และเทวดาให้ข้ามทุกข์ได้อย่างไรเนี่ยนะก็เพราะอะไรเพราะว่าเจตนารมที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่สุเมศบรณฑิตใช่ท่านตั้งความปรารถนายัางไงเนี่ยเนยเจตนาดั้งเดิมของท่านว่าเราข้ามแล้วก็จะให้ผู้อื่นข้ามด้วยใช่เราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราฝึกแล้วจะให้ผู้อื่น ฝึกด้วยเนี่ยเราสงบแล้วจะให้คนอื่นสงบด้วยเราหายใจคล่องแล้วจะให้ผู้อื่นหายใจคล่องด้วยเรานิ่พานแล้วจะให้ผู้อื่นนิ่พานด้วยเราบริสุทธิ์แล้วจะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยอันนั้นคือเจตนารมณ์ที่ตั้งเอาไว้ตั้งกับเดิมทีนี้ไอ้เจตนารมณ์มานั้นที่ตั้งเอาไว้ที่จะช่วยให้สัตว์พ้นทุกข์เนี่ยถ้าไม่บริจาคลูกเป็นต้นเป็นทานไอ้ความปรารถนาอันนี้สําเร็จไม่ได้เพราะฉะนั้น ลูกช่วยเป็นเหมือนกับเรือให้พ่อด้วยเนี่ยนะพระชายลีกุ ม, มารพอได้ฟังคําของพระราชบิดาก็เลยคิดว่าตาพรามเนี่ยนะจงทําเราตามใจชอบเถอดเราจะไม่กล่าวคําสองกับพระราชบิดาจะไม่พูดสองคําเพราะเป็นลูกตระกูลที่ไม่พูดสองคํากับบิดาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่กล่าวคําสองกับพระราชบิดาก็โผล่พระเศียรแหวกใบบัวเสด็จออกจากน้ํา แล้วก็มอบแทบผ้าบาดเบื้องขวาแห่งพระโพธิสัตว์กอดข้อพระบาทเอาไว้มั่นคงก็ร้องให้เนี่ยนะกอดเท้าพ่อร้องให้คําครวญครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็ถามว่ า, าถามชาลีว่าลูกน้องหญิงของลูกไปไหนอะ่ะที่ถึงอา้าวน้องสาวไปไหนล่ะชาลีก็บอกว่าข้าแต่พระราชบิดาธรรมดาสัตว์ทั้งหลายเมื่อภัยเกิดขึ้นก็ย่อมรักษาตัวทีเดียวนะก็รู้ว่างานนี้มันมีภัยอะ่ะมันก็ต้องหนีกันบ้างอมั่งหลังกัน ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ก็รู้รู้ว่าลูกทั้งสองเนี่ยจักนัดหมายกันก็เลยเรียกว่าแม่กันหาว่า ง, งั้นแม่จงมาก็เรียกลูกสาวมาดูก่อนแม่กันหาที่ดารักแม่จงมาเพิ่มภูทารบา ร, รมีที่รักของพ่อนะขอให้ลูกเนี่ยมาช่วยพ่อหน่อยนะบา ร, รมีนี่เป็นที่รักของพ่อจริงๆจงช่วยโสดสงฆทายของพ่อให้เย็นชําจงทาตามคาของพ่อ เจ้าทั้งสองจงเป็นเหมือนยานยานก็คือคือสิ่งที่เคลื่อนไปได้เนี่ยนะนาวายานที่หรือยานคือเรือของพ่อพ่อจะไม่หวั่นไหวในสาครคื อ, พ, อพ่อจะข้ามฝั่งคือชาติจะยกขึ้นซึ่งมนุษย์และเทวดาเนี่ยนะเพราะนั้นก็พระองค์นี้ได้ทําสิ่งที่ทําได้ยากเพราะถ้าหากว่าไม่ให้ลูกเป็นทานเนี่ยนะก็ตรัสรู้ไม่ได้ถ้าตรัสรู้ไม่ได้จะยังมนุษย์และเทวดาให้ข้ามจาก วัตทุกก็ไม่ได้บอกว่าพระนางการหาชินาราชกุมารีเนี่ยพอได้ฟังคําพระดํารัสของพระราชบิดาก็เลยคิดว่าเราจะไม่กล่าวคําสองกับพ่อก็เลยขึ้นจากน้ำเหมือนกันหมอบแท่พระบาทข้างซ้ายพระโพธิสัตว์กอดข้อพระบาทเอาไว้มั่นคงแล้วก็ร้องให้เนี่ยนะลูกก็ร้องให้พระอสุชนคือน้ําตาของสองราชกุมารกุมารีก็ตกใส่หลังพระบาทของพระโพธิสัตว์นะ ก็กอดข้อเท้าร้องให้น้ําตามันก็ตกใส่ฝ่ายหลังเท้าอยู่แล้วฝ่ายพระโพธิสัตว์ซึ่งมีผิวเหมือนดอกปทุมบานน้ําตาของพระโพธิสัตว์ก็ตกลงบนพระปริสดางทั้งสองของกุมารทั้งสองที่คือคือหลังของเด็กทั้งสองนะ่ะเหมือนกับแผ่นทองคําทีนี้พระโพธิสัตว์ท่านก็ไม่ใช่ไม่เสียใจนะเห็นลูกเป็นอย่างนั้นท่านก็สะเทือนใจกับลูกแต่ไม่ได้สะเทือนใจกับทานนะ ทุกเรื่องลูกที่เป็นเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกพ่อให้ทานนะท่านก็ท่านก็เห็นลูกท่านก็ร้องให้น้ำตาตกใส่หลังของลูกเหมือนกันพระโพธิสัตว์ก็มีจิตกัดแก ง, งนะจ่ายนิกระชักเอ็มยังไงแล้วเนี่ราวก็ว่ามีใจเนี่ยหดหูลูกหลังของราชกุมารกุมารีด้วยฝ่าพระหัตถ์อ่อนอนุ่มอย่างราชกุมารกุมารีให้ลุกขึ้นแล้วก็ปลอบโยนมาพูดว่าลูกชาลี ลูกไม่รู้ถึงวิตกคือความคิดถึงทานบารมีของพ่อหรือคือลูกไม่ไม่รู้เรื่องไงว่าพ่อเนี่ยคิดถึงเรื่องทานอยู่นะเจ้าจงยังอัธยาศาัยของพ่อให้ถึงที่สุดเนี่ยนะก็ยังไงช่วยช่วยพ่อหน่อยนะพ่อคิดถึงเรื่องทานบารมีเนี่ยมากพอถ้าหากว่าพ่อไม่ให้ทานนี่ก็บรรลุกไม่ได้พอพูดอย่างนี้ก็ประทับยืนเนี่ยนะกำหนดราคาราชบทราชบ ต, ตรีเหมือนนายโคบาลตีราคาโคฉะนั้น น, นะนะก็กําหนด พระเวสสันดรเนี่ยหนะ้าที่ที่กำหนดลูกเนี่ยเพื่อที่จะไถ่ตัวลูกเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าชูโชคเนี่ยคนอย่างนี้เนี่ยเอากัญหาชาลีกุมารไปเป็นขิดาฆาตมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะซึ่งซึ่งมันไม่คู่ควรอยู่แล้วถึงยังไงเนี่ยคนก็จะต้องไปเอากันหาชาลีกุมารเนี่ยคืนไปไปถวายแก่พระเจ้าสันชัยจนได้แหละแต่ทีนี้ทั่วทั่วไปเนี่ยถ้าหากว่าไม่ประเมินราคาตีราคาเอาไว้ก่อนเขาก็จะไปถือเอาโดย พละการนั้นพระโพธิสัตว์ก็เลยตีราคาของลูกว่าถ้าใครจะเอากันหากับชาลีคืนเนี่ยนะต้องไปไทยค่าตัวด้วยราคาเท่านี้เท่านี้ก็เลยกล่าวว่าแนะ่พ่อชาลีถ้าพ่อใคร่เพื่อจะเป็นไทยพ่อควรให้ทองคําพันลิ่มแก่พรามชูชกเนี่ยนะต้องทองคําพันลิ่มนะแล้วก็จึงจะเป็นไทยส่วนน้องสาวของเจ้า เป็นผู้งามอุดมด้วยรูปคือลูกน้องสาวเนี่ยเป็นคนสวยใครๆชาติต่ำก็จะพึงให้ทรัพย์เล็กน้อยแก่พราหมณ์ก็ทําน้องสาวของอลูกให้เป็นไทยก็จะทําให้แตกชาติเดี๋ยวก็จะเสียวงเสียชาติกษัตริย์หมดยกเสียแต่พระราชาใครจะให้สิ่งที่ใครทั้งปวงอย่างละหนึ่งรอย่อมไม่มีเพราะชเหตุนั้นน้องสาวของเจ้าอยากจะเป็นไทยพึงให้สิ่งทั้งปวงอย่างละหนึ่งร้ออย่างนี้ จะต้องจ่ายอย่างละ่ง100นะต้องทาด ช, ชาย100ทายาตหญิง100ช้าง100ยม้า100โค100และท้องคำา1 0 0ลิ่มแก่ชูชกแล้วก็จึงจะเป็นไทยนะใครจะเอาค่าตัวนี้จะต้องใช้ค่าไายเท่านี้นะพระเวสสันดรโพธิสัตว์กำหนดตีราคาราชกุมารกุมารีอย่างนี้แล้วก็ปลอบโยนปลอบโยนะนะให้ลูกสบายใจก็พาไปสู่อาสมจับทัน เจาน้ำเรียกชูชกมาตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้เจริญจงมานี่แล้วก็ทรงหลั่งน้ำลงในมือของชูชกทําให้เนื่องด้วยพระสัพพัญยุตยานตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์สัพพัญยุตยานเป็นที่รักยิ่งกว่าบุตรและบุตรสาวซึ่งเป็นที่รักกว่าเนี่ยร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเนี่ยนะก็จริงๆแล้วลูกไม่ใช่ไม่รักก็รักรักเท่าเท่ า, า, า, าชีวิตนั่นแหละผู้เป็นพ่อนะ แต่ทีนี้ว่ารักสัพพัญยุตยานคือการบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเมื่อจะยังปฏิพีคือแผ่นดินให้วันไว้บรรลือลั่นพระราชทานปิยบุตรทานคือให้ทานลูกอันเป็นที่รักแก่พราหมชูชกกล่าวว่าแต่นั้นพระเวสสันดรราชฤาษีผู้ยังแว่นแควนของชาวสีพีให้เจริญทรงพาพระชาลีราชโอรสและพระกันหาชินาราชธิดา ทั้งสองพระองค์นี่มาพระราชทานให้เป็นปุตตะทานแก่พรามชูโชคแต่นั้นพระเวสสันดรราชฤาษีพาพระชาลีราชโอรสพระกันหาชินาราชธิดาทั้งสองมาทรงปลื้มในใจเนี่ยนะพระราชทานพระราชโอรสพระราชธิดาให้เป็นทานอันสูงสุดแกช่ชูโชค อัศจรย์ได้สยดสยองแล้วยังโลมาชาติให้ชูชันเมื่อพระราชกุมารกุมารีทั้งสองอันพระเวศสันดรพระราชทานแก่พราหมณ์ชูชกแผ่นดินก็กัมปนาตหวาดหวั่นไว้นี่นะได้เกิดมีแล้วในการนั้นแผ่นดินไหวครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สี่แล้วนะก็ได้เกิดมีแล้วเนี่ยนะได้เกิดเหตุการณ์ที่สยดสยองโลมาชาติก็ชูชันว่า ง, งั้นเหตุการณ์เนี่ยโหขนลุกหมดเลย พระเวสสันดรราชฤาษีผู้ยังเว้นแควนแห่งชาวซีพีให้เจริญเป็นผู้ประชุมชนเนี่ยกระทำอันชฉลียกมือไหว้พระราชทานกุ ม, มารกุ ม, มารีผู้กำลังเจริญในความสุขให้เป็นทานแก่ชูชกนนะบทว่าตทาสิยังพิงสนกลังความว่าในการนั้นแผ่นดินใหญ่หนาสองแส0สี 2, 40, ่มื่นยอดอึกระทึกกึกก้องคำรามลั่นสำเสถีรเหมือนช้างพลายตกมันด้วยเดชแห่งฐานบารมี ในการนั้นสาครก็ก็เพิ่มนะน้ําทะเลนี่คลื่นขึ้นใหญ่มากสิเนรุราชบรรพศก็น้อมยอดลงไปทางเขาวงกฏนั้นอยู่คล้ายหนอไวที่ต้มให้สุกดีแล้วเท้าสากาเทวราชก็ตกมือมหาพรหมก็ให้สาธุการเนี่ยน ะ, ะอนุโมทนาเหมือนกันเทวดาทั้งหมดก็ให้สาธุการได้เกิดกลาหนเป็นอันเดียวกันจลอดจนถึงพรหมโลก ฟ้าคำรามพร้อมกับเสียงปาฏพีให้ฝนตกลงชั่วขณนะสายฟ้าแลบก็เกิดในสมัยไม่ใช่การสัตว์จตุบทคือสัตว์สีเท้ามีราชาสีเป็นต้นที่อยู่ในป่าหิมะวันก็บรรลือเสียงเป็นอันเดียวกันทั่วหิ ม, มวันเนี่ยนะก็อัศาจรรย์น่าสยดสยองได้มีแล้วชนะก็เกิดแผ่นดินไว้คือเทวดาทั้งหลายเนี่ยทำไมเขาจึงอนุโมทนาที่มนุษย์ทั่วๆไปทําไมไม่ค่อยอนุโมทนาอ่า น, นะถามว่าต่างกันยังไง คือคือเทวดาเนี่ยเขารู้ว่าถ้าให้ทานครั้งนี้นะอีกไม่นานพระโพธิสัตว์ท่านจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าอีกไม่นานเนี่ยกำหนดได้เลยว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าวันไหนเนี่ยนะส่วนมนุษย์ทั้งหลายนะก็จะคิดแบบแบบอะไรแบบตัวเองนั่นแหละเนี่ยนะก็หลายๆคนเป็นอย่างนั้นนะให้ลูกเป็นทานไม่ได้แต่ถ้าลูกตายก็ไม่รู้จะทํำยังไงเอามันตายไปแล้วนะแต่ว่าจะเอามาเป็นทําบุญไม่ได้เหมือนกันน่ยคือคือเหมือนกับบางคนเนี่ย ด้วยความตนีนะเก็บอาหารเอาไว้ให้บูดเนี่ยได้แต่ว่าให้ทานไม่ได้แต่ว่าอาหารมันต้องเสียเหมือนกันใช่ไ้ยแต่ว่าเก็บให้บูดเนี่ยทำใจได้แต่ว่าให้ทานนี้ทำไม่ได้ถามว่ามันเพราะอะไรเนี่ยนะเพราะว่าไม่ได้สะสมอัธยาสาัยที่จะให้ไม่เห็นโทษของการตนีเนี่ยนะไม่เห็นโทษของการตนีไม่เห็นคุณของการให้เพราะฉะนั้นของเสียดีกว่าการให้นะก็หลายๆคนก็เป็นเช่นนะั้น อย่างนั้นเก็บเอาไว้เยอะๆตัวเองก็ไม่ได้ใช้ถามว่าเก็บทําไมก็บอกเก็บให้มันเก่าไงะเอาเก่าแล้วจะทำอะไรเอาไปทิ้งได้ไ ง, งแค่นั้นแหละบอว่าอาัทาทานังความว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้เจริญสัพพัญยุตยานย่อมเป็นที่รักยิ่งกว่าบุตรีของเราเนี่ยโดยร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าดังนี้จึงพระราชท า, านเนี่ยนะเพื่อประโยชน์แก่สัพพัญยุตยา น, นนั้นนั้น พอพระโพธิสัตว์บำเพ็ญปุตตะทานอย่างนี้แล้วก็ยังปีติโสมมานั้นให้เกิดขึ้นว่าโอ้ทานของเราได้ให้ดีแล้วเนาะ น, นะสุทินังวัตเมทานังเนี่ยนะที่ที่เราเคยได้ยินกันนะสุทินังวัตเมทานังโอ้ทานของเราเนี่ยนะเป็นทานที่เราให้ดีแล้วเนาะเนี่ยนะคือดีใจมากะนะ ของเราเป็นอย่างนั้นนะเออให้ทานานี่ยเขมีความสุขมากปลืม้มได้ให้แล้ววันนี้ได้ให้แล้วนะนะสุทีนางว่าตเมทานังทานที่ให้ของเราเนี่ยให้ดีแล้วว่างั้นทอดพระเนตรดูพระราชกุ ม, มารกุมารีเนี่ยประทับยืนอยู่